ามธรรมดาเวลามีสิ่งใดที่ทัดพลาดจากไปเราก็มักจะอะไระไเสียดายโดยเพราะสิ่งที่อยู่กับเรามามานานแต่ว่า เวลาปีหนึ่งปีหนึ่งมันผ่านไปอย่างเช่นปีห้าสองที่เพิ่งผ่านไปผู้คนก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยอาลัยเพราทั้งที่อยู่กันมาหนึ่งปีเต็มเต็มผู้คนก็กลับรู้สึกดีใจ จัดงานส่งท้ายปีเก่าอันนี้ทำไมผู้คนถึงรู้สึกดีใจไม่มีความอะไรกับปีที่เพิ่งผ่านไปก็คงเพราะว่ามันมีปีใหม่มาแทนที่ ธรรมดาคนเราก็ชอบของใหม่เพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้สึกอะไรที่ปีเก่าจากไปก็ถือโอกาสเยอะนี้ต้อนรับปีใหม่ซะเลยนี่เราถึงเรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งความสุขไม่ใช่เพราะว่า ปีเก่าจากไปเท่านั้นแต่ว่าได้ต้อนรับปีใหม่คนเรานี่มีธรรมชาติที่ต้องการสิ่งใหม่อยู่เสมอแต่ัางที่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งใหม่นี้มันจะดีกว่าเก่าหรือเปล่านะปีเก่าก็อาจจะเป็นปีที่ หลายคนก็มีความสุขดีเราไม่รู้ว่าข้างหน้าในปี53นี้จะมีอะไรแต่ทำไมเราถึงต้อนรับปีใหม่ด้วยใจที่เบิกบานอันนี้มันก็น่าคิดนะเราไม่รู้แลวว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามองในแง่ของธรรมดาหรือความไม่เที่ยงของชีวิตเราไม่รู้ไดยซ้ำว่าปีหน้านีจะจะได้มีชีวิตอยู่ไปครบปีหรือเปล่าเราไม่รู้ได้ซ้มว่าปีหน้าความตายจะรอเราอยู่หรือเปล่า ในขณะที่ปีที่แล้วนี้เราได้ใช้ชีวิตเรารู้ดีว่าเรามีชีวิตมีลมหายใจมาตลอดปีที่ผ่านมาเราเดินเหินไปไหนมาไหนได้มีสุขภาพมีพลานามัยพอสมควรเราแน่ใจอย่างไรว่าปีหน้าเราจะไม่เกิด ความเจ็บปวดทุกพลภาพปีใหม่มันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนของชีวิตในขณะที่ปีเก่านั้นเราก็เห็นกับตาสัมผัส ด, ด้วยตัวเรามาทั้งมาทั้งปีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทุกอย่างชัดเจ น, จนแจ่มแจ้งกันเราเพราะว่าเราได้ผ่านกัน มาตลอดทั้งปีแล้วแต่ทำไมเราถึงยินดีต้อนรับปีใหม่เท่านักที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคนรอนี้ต้องการสิ่งใหม่ เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าอยากได้เอาไว้ก่อนด้วยความหวังว่ามันน่าจะดีกว่าปีเก่าคนเรารู้สึกแบบนี้เสมอนะอย่างเวลาเรามีเครื่องเครื่องมือเครื่องมาสักอย่างหนึ่งจะเป็นนาฬิกาวิทยุกล้องหรือโทรศัพท์ ให้เลือกระหว่างกล้องตัวเดิมกับตัวใหม่คนก็มักจะเลือกตัวใหม่เอาไว้ก่อนทั้งทั้งๆเก๋ไม่รู้แล้วว่าตัวใหม่นี้มันมันใช้ได้คล่องมือเมือกับตัวเก่าหรือเปล่าเพียงว่ามันใหม่กว่าแค่นั้นเอง คเราไม่ค่อยมีความพอใจมีความสุขกับสิ่งที่มีอยู่เราก็หวังว่าของใหม่มันจะดีอันนี้อาจจะรวมถึงคนด้วยก็ได้อยู่ด้วยกันมานานคู่ครองอยู่ด้วยกันมานานก็บางครั้งก็มักจะเบื่อก็คิดว่าถ้ามีคนใหม่มาแทนที่มันจะดีทั้งน้นที่คนใหม่ ก็ยังไม่รู้จักดีแต่ก็หวังว่ามันจะดีกว่าคนเก่าที่เรียกว่าคนเราต้องการความเปลี่ยนแปลงก็ได้เมื่อคาราวาเน่คาราวาจำนวนมากเลยก็บอกว่าอ ย, อยากจะบวชไม่อยากเป็นคาราวา พอสักว่ารู้จักชีวิตพระชี่านปะชิตไหมก็ไม่ค่อยรู้จักแต่เครื่องมันน่าจะดีะคนที่บวชก็บวชไป น, นานๆก็จะากจะสึกเพราะว่าเพศิดเ่ลเป็นเพศใหม่ที่อยจะเปลี่ยนแปลงนี่ลอง สังเกตดูนะธรรมชาติคนเราเราต้องการอะไรใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งก็ทำให้เราไม่ค่อยพอใจรักกับสิ่งที่มีอยู่และการที่ละทิ้งสิ่งที่มีอยู่ไปไปหาของใหม่บางทีอาจจะแย่กว่าเดิม แต่แล้วก็ตามคนเราเหมอันย่งนีหนึ่งก็มีเหตุผลนะที่ควรจะยินดีต้อนรับปีใหม่หรือว่าสิ่งใหม่ทั้งๆังที่เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มาปรากฏกับเราแล้วอะไรที่อะก็ตามที่มันปรากฏกับเราแล้ว มันป่วยการที่จะปฏิเสธป่วยการที่จะกังวลหวัดกลัวทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรามาอยู่ตรงหน้าแนละ้วก็ควรจะต้อนรับหรือว่ายิ้มรับเพราะว่ามันทําให้เราพร้อมในการที่จะ รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้พูดรวมไปถึงเวลาเราเจองานการเจ อ, อปสสักเจอปัญหาเจอความเจ็บป่วยในเมื่อมันเกิดขึ้นกับเราแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีอะไรดีกว่าการยินรับหรือตอนรับ ไม่ผลักไสจริงๆเวลาเราปฏิบัติเราเจริญสติเราก็ใช้วิธีนี้แหละอะไรเกิดขึ้นกับใจของเราก็อย่าไปผลักไสมันต้อนรับมันเราปฏิบัติทำในเวลา เวลาทำสมาธิเข้ากรรมฐานทำใจนี้ไม่ได้ก็เลือกว่าอยากจะได้ความสงบอยากจะได้ความปิเตเดี๋ยวจะได้ความรู้ตัวแต่พอมันหลงเวลาเศร้าเวลาซึมก็ไม่ชอบก็พยยามผลักไสมัน ทางที่ดีมันเกิดขึ้นแล้วก็เออดูมันเฉยๆต้อนรับจะมีเมตตากับมันเยวก็ได้แต่ก็อย่าไปหลงใจอ่อนทำตามมันอันนั้นก็ไม่ถูกจะเป็นส ต, ตรอกับมันก็ไม่ใช่จะใจอ่อน เชื่อฟังทำตามมันก็ไม่ถูกแต่เรารับรู้แล้วก็ต้อนรับถ้าทำแบบนี้ได้การปฏิบัติก็ต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทุกทรมานแม้ว่ามันจะมีอกุโสแลธรรมเกิดขึ้นในใจมากมายแค่ไหนก็ตามก็ต้อนรับ เป่นการที่เราต้อนรับปีใหม่ทะนั้นที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นสิ่งที่สมควรเหมือนกันมีเหตุมีผลแต่ไม่ใช่ต้อนรับด้วยความความหลงระเริงว่าหรือความฝันหวานว่ามันจะต้องดีกว่าปีเก่าได้ไม่ใช่มันอาจจะแย่กว่ากับปีเก่าก็าได้ แต่มันคือความจริงที่ปรากฏต่อเราแล้วเราก็ต้องทำใจให้ดีที่สุดไอ้ของเก่ามันผ่านไปแล้วก็ป่วยการที่จะอาไลน์ไม่ว่ามันจะดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนก็ตาม คนอาจจะต้อนรับปีใหม่อาจจะด้วยเหตุผลง่ายๆว่าเออลอดลอดตายไปเองหนึ่งปีคนที่จะมีโอกาสมาต้อนรับปีใหม่ได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอมีกันได้ทุกคนนะมันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถจะอยู่ต้อนรับปีใหม่ได้คือตายไป ในหว่างปีเก่าก็หลายล้านทีเดียวนะตายด้วยอุบัติเหตุแค่มะเร็งนี่ก็5ล้านคนแล้ววัณโรคมาลาเรียอีกโลกละสองล้านคนตายแล้วอุบัติเหตุสงครามตายเพราะความอดยากหิวโหยอีกเป็นสิบสิบล้าน แต่ว่ามันก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อมาจนถึงปี53ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีเหตุผลว่าเออเในพงศ์การดีใจว่าเออได้ลอดตายมาอีกหนึ่งปีแต่มันก็การที่เรา ได้มีชีวิตมาถึงปีใหม่มันก็หมายความอีกว่าชีวิตเราผุดหายไปอีกหนึ่งปีวันเวลาที่เราจะอยู่ในโลกนี้มันสั้นลงอีกหนึ่งปีเนอมันน่าคิดนะว่าในแง่หนึ่งเราก็การที่ปีใหม่ มาถึงก็แสดงว่าเรามีชีวิตยืนยาเพิ่มอีก1ปีแต่ในเวลาเดียวกันมันก็แสดงว่าเรามีเวลาเหลืออยู่ในโลกน้อยอีก1ปีการที่เรามีชีวิตยินยา 1.1 ปีอีก1ปีก็แสดงก็เป็นเรื่องน่ายินดีแต่คนไม่ค่อยได้คิดว่าเราจะมีเวลาเหลือน้อยลงอีก1ปีอันนี้มันไม่ค่อยน่ายินดีเท่าไหร่แต่มันเป็นสิ่งเดียวกัน รอตายไปอีกหนึ่งปีแต่ก็ใกล้ความตายก็ไปอีกหนึ่งปีเป็นเรื่องเดียวกันถ้าคนเราถ้าเราคิดอย่างนี้ซะบ้างว่าเราก็เข้าใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีหรือว่าเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้น้อยลงอีกหนึ่งปีมันก็จะทําทให้เราเกิดความไมตตาหมายขึ้นมา แล้วก็เห็นคุณค่าของแต่ละวันแต่ละวันแล้วคนเราถ้าเราตื่นขึ้นมาทุกเช้าด้วยความตระหนักว่าเรามีเวลาเหลือน้อย ล, ลงอีกหนึ่งวันหรือว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเรา เราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามากขึ้นแต่และนาทีจะไม่ปล่อยให้ผ่านเลยไปปีใหม่นี่มันจะเป็นโอกาสแห่งการพิจารณาถึงความไม่เที่ยงชีวิตถึงความตายก็ได้เหมือนกันแต่คนไม่อยากคิดถึงนะก็ พยายามที่จะทำชีวิตสนุกสนานรื่นเริงนะอันนี้ก็เพื่อที่จะได้เกิดความหวังกับชีวิตแล้วก็จะได้ลืมเรื่องความไม่เที่ยงต่างๆที่มันรออยู่ข้างหน้าอางคนจะมนมากก็ไปเที่ยวกัน ใชรัสนุกสนานก็เพื่อโตลุ่งนมันมีความหมายมากนะคนจำนวนมากเนะี่ยให้คุณค่ากับช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อสาสธันวาเวลาเที่ยงคืนเพื่อที่จะรับวันใหม่หนึ่งมกราพอวัน พอเที่ยงคืนผ่านไปคนก็ดีใจกันตอนเด็กๆก็เป็นอย่างนั้นแหละจะกินเลี้ยงกันจนสามสี่ทุ่มแล้วก็ไปดูหนังกันดูหนังมุงทีหนังสองเรื่องติด ก, กันเลยให้มันข้ามคืนหนังเรื่องแรกก็เที่ยงสีทุ่มจนถึงเที่ยงคืน กเกินก็เทื่องคืนอย่างตีสองดูกันอย่างนั้นพอเที่องคืนก็ชัยโยกันทั้งโรงหนังนะถ้าเป็นโรงแรมถ้าเป็นปาต า, ากันว่าชัยโยกันนะดีใจกันเสร็จแล้วก็กลับถึงบ้านก็สลบสไลดผาที่ขึ้น สวยงามแต่ว่าไม่มีใครสังเกตเพราะว่าหลับกันหมดอย่างขณะนี้ก็มีคนหลับกันเยอะไม่ไม่ไมในทันที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ไม่รู้เรยว่าพระอาทิตย์ตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นนล้วมันสวยงามแค่ไหนอรุณรุ่งนี่มันมันให้กำลังใจกับ ชีวิตอย่างไรบ้างแต่คนจานวนมากก็เลือกที่จะได้ใช้ช่วงนี้ทำสิ่งที่เป็นมงคลชเช่นไปใส่บาทนั้นคนเราตอนรับปีใหม่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันบางคนต้อนรับด้วยความสนุกสนานตลอดคืนแล้วก็ตอนเช้าก็สลบสหลับไหลแต่บางคน เรื่องที่จะตื่นมาตั้งแต่เช้ามืดทำสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตเช่นพวกเราก็มาสวดมนต์ฟังธรรมมงคลก็ตื่นมาเพื่อที่จะใส่บาตรพระการเริ่มต้นชีวิตไม่ว่าวันใหม่หรือปีใหม่ ด้วยการทำสิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยในสิ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าทําสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตล่อใเกิดความงอก ง, งามเกิดติดใจใปีใหม่ควรเป็นเวลาที่เราได้ทําความดีได้ทําประโยชน์ได้อย่างมากก็ด้วยการให้ทานดีกว่าการ การเสพการบริโภคการชลองปีใหม่ด้วยการไปเที่ยวกินเมืองกินนี่หรือไปเสพประสบการณ์ ใ, ใหม่ใหม่ดูหนังหรือว่าไปไปสถานที่แปลกใหม่อันนี้เราเสพประสบการณ์ก็ถือเป็นการให้รางวัลแก่ตัวเอง แต่สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นรางวัลที่ประเสริฐรางวัลที่ประเสริฐคือการที่เราได้ได้ให้ได้มอบสิ่งดีๆให้แก่ผู้อื่นหรือได้ทําสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่เป็นมงคล เนี่ยตื่นชา้าขึ้นมาเออเราได้ซ้ำถึงที่เป็นมงคลทำวัดสวดมนต์ฟังธรรมเป็นการให้รางวัลแก่จิตใจของตัวก็คือรอเลี้ยงสติปัญญาเจริญงอก ง, งามทำความดีด้วยการให้ทาน อันนี้มันเป็นการสร้างสริมงคลให้กับตัวเองได้มันช่วยทำให้ใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะมองอะไรใหม่ๆอยู่เสมอพูดถึงเทศกาลแห่งความสุขเนี่ยคนเราก็ เราคิดจะแสวงหาความสุขด้วยการไปเสาะหาตามที่ต่างๆไปเสาะหาตามโรงหนังไปเสาะหาตามแหล่งเรี้งลมไปเสาะหาตามสถานที่ท่องเที่ยวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความสุขมันก็ไม่ได้อยู่ไหนเลยไม่ต้องไปเสาะหาจากที่ไกลๆเลยมันก็อยู่กับตัวเรานี่แหละ อยู่รอบตัวเรานี่แหละเป็นแต่เรามองไม่เห็นเองคนมักจะบน่นนะว่าฉันไม่มีโชคฉันไม่มีความสุขที่จริงเรามีความสุขเรามีโชคอยู่ตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็น คนที่บนว่าฉันไม่มีความสุขนี่ที่จริงควรจะบอกว่าฉันไม่เห็นความสุขน่าจะถูกต้องกว่าแล้วความสุขนี่มันเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาหรือมีอยู่กับเราเพียงแต่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่แเรามาชอบเพื่อนคนหนึ่งก็เขียนจดหมายไปเขียนสกสไปถึงเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าปีใหม่นี่ขอให้เธอเห็นความสุข ประหาคนเรานี่ไม่ได้ที่่าไม่มีความสุขนะแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันไม่เห็นความสุขความสุขมันอยู่รอบตัวอยู่กับตัวอยู่แล้วแค่เรามีสุขภาพดีไปไหนมาไหนได้นี่ก็มีความสุขแล้วนะแต่มองไม่เห็นเราไปคิดว่าถ้าฉันมีรถมีบ้านมีโน่นมีนี่ มีคนรักมีชื่อเสียงมีอำนาจฉันจะมีความสุขนะจริงในตอนนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วนะทุกคนที่นั่งอยู่นี่ความสุขมันเกิดขึ้นกับเราอยู่แล้วแต่คนไม่ค่อยเห็นจะไม่เห็นก็ตอนที่ป่วยเวลาเจ็บป่วยโอ้ คุณค่อยมาได้คิดก็ตอนที่ฉันมีสุขภาพดีมีพลนานามัยดีนะั้นมีความสุขไม่เช่ลองถามคนที่เป็นมะเร็งดูว่าจริงไหมแล้วก็าเอ็นดึกถึงวันที่เขายังมีความสุขไม่มีเจ็บไม่มีป่วยคนที่เป็นมะเร็งก็หวังอยู่เลยว่าขอให้ฉันหายหฉันหายไปสุขภาพกลับคืนมาอย่างหรือนไม่เอาแล้ว ชื่อเสียงเงินทองไม่เอาแล้วช้อยฉันมีความมีสุขภาพดีสุด้อนแล้วหรือคนที่ยังยังมีพ่อมีแม่มีลูกมีหลานอยู่กับตัวอันนั้นก็มีความสุขแล้วล่ะแต่ไม่รู้ไปคิดว่าต้องได้โนนได้นี้ต้องมีแก้วใบเงินทองแต่พอสูญเสีย พ่อแม่ไปโอ้ถึงค่อยมารู้ว่านั่นแหละตอนที่เขาอยู่กับเราเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดนักกีฬาคนนึง อ, อยากจะได้ฝ่ายฝนอยากจะได้เหรียญทองฝ่ายฝนอยากจะได้เหรียญทองให้กับเมืองไทยไปเป็นเหรียญแรก เมื่เขาก็ได้จริงๆตอนที่ไดก้ก็มีความสุขมากแต่ในวันที่มีการเลี้ยงฉลองกันเราก็ได้คนก็มาบอกความจริงว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเมื่อ2วันก่อนอสุดเลยพอรู้ความจริงบอกเหรียญทองไม่เอาแล้วเอาพ่อเอาพ่อกลับมาขอพ่ อ, อคืนมาเท่านั้นก็พอตอนที่พ่ออยู่ก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่านั่นแหะคือสิ่งสาคัญเลยที่ว่าต้องได้เหรียญทอง แต่พอได้มันแล้วแล้วลูกแล้วพ่อเสียลูกไปแลลูกเสียพ่อไปก็ถึงมาได้รู้อะไรที่สำคัญกว่ากันเนี่ยความสุขมันมีอยู่แล้วนะไม่ใช่แค่สุขภาพร่างกายไม่ใช่แค่เรามีคนรักแต่ยิ่งความสุขมันมีอยู่แม้กระทั่งในในใจของเรา ความสุขคือความสงบที่มีอยู่ในใจของทุกคนแล้วก็เราสามารถจะสัมผัสกับมันได้ตลอดเวลาถ้าใจเราเปิดนะใจเราเปิดคนเราเนี่ยไม่มีความสุขเพราะใจไม่เปิดรับความสุข คนที่มีสุขภาพดีคนที่มีคนรักอยู่กับตัวเนี่ยเขาถ้าใจเขาไม่ถ้าใจเขาเปิดรับก็จะได้สัมผัสกับสิ่งนี้แต่เพราะใจนี่ถูกครอบด้วยความฝันในอนาคตไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่มีคิดหรืออยาก สิ่งที่ยังไม่มีมันก็ครอบจิตเอาไว้มันก็ปิดบังจิตไม่ให้เห็นความจริงที่เป็นความสุขในปัจจุบันคนเราหวังความสุขจากอนาคตหวังความสุขจากสิ่งที่ยังไม่มีไอ้สิ่งที่ไม่มีก็คือสิ่งที่เป็นอนาคตนั่นเองอยากจะได้อยากจะได้เหรนทองอยากจะได้เงินทองอยากจะได้แหวนทื่เสียงพวกนี้เป็นเรื่องอนาคตท้งนั้น พล้เราก็ฝากความสุขกับอนาคตแล้วก็ไปจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็เลยพอใจมันถูกครอบด้วยความอยากที่เป็นการจดจ่ออยู่กับอนาคตก็เลยไม่สามารถจะเปิดรับความสุขในปัจจุบันได้นะความสุขในปัจจุบันก็มีตั้งแต่เรื่องจับยางง่ายๆนะสุขภาพพรราให ม, มการกิ น, อ, น, น, อ, นอิ่นนอนอุ่วนการมีครอบครัวการมีคนเล่าขี่กับเรารวมทั้งการมีชีวิตด้วย แต่วความสุขที่เลือกซึ้มก็มีมากกว่า น, นั้นอยู่ที่ใจเพียงแค่ใจเรามันเปิดรับปัจจุบันนะความสุขก็เกิดขึ้นทันทีการที่ใจจะเปิดได้มันต้องมันต้องมันต้องปล่อยนะมันต้องปล่อย ปล่อยความคิดปล่อยเรื่องที่ปล่อยอดีตปล่อยปล่อยอนาคตไปซะแต่ส่วนใหญ่ก็แบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยดูอย่างนี้ก็อยู่ตรงนี้มันก็มีความสุขถ้าเปิดรับปัจจุบัน แต่พอไปคิดถึงอดีตไปคิดถึงอนาคตไอ้ความคิดมันก็ปิดบังไม่ให้เห็นความสุขในปัจจุบันความสงบที่จะเกิดขึ้นกับใจหรือมีแล้วนี่ใจก็มองไม่เห็นรับรู้ไม่ได้เพราะใจที่มันแบกเอาไว้ไม่ยอมปล่อยถ้าปล่อยเมื่อไหร่มันก็โปร่งโปรงเมื่อไหร่นมันก็เบาสบาย ใจที่เปิดรับความเบาสบายก็คือใจที่มีความสุขนั่นเองแต่เราไม่สามารถจะเปิดรับรู้สัมผัสความเบาความโปร่งนั้นได้เพราะมันไม่ยอมปล่อยมันถูกปิดเอาไว้ถูกครอบคือความกังวลปรับอนาคตหรือไม่ก็ไฝ่ฝันทะยทะยานกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยังไม่เกิดขึ้น มันก็จะเต็มด้วยความความอยากด้วความอยากมันครอบจิตว้มันก็เลยทั้งหนักเอ่ยแล้วก็มันถูกปิดเอาไว้ไม่ให้รับรู้สัมผัสความสุขอย่างการ การที่คนเราจะมีความสุขนี่มันมันมีได้ง่ายๆเพียงแค่รู้จักเห็นความสุขที่มีอยู่แล้วรอบตัวแล้ก็รู้จักเปิดใจรับความสุขทั้งที่มีอยู่รอบตัวแล้วก็ทั้งที่มีอยู่กับตัวแล้วก็พลิทที่มีในใจเรา จะเปิดรับแจ้งก็ต้องรู้จักปล่อยใจจะได้โปร่งใ จ, จได้เปิดแต่ที่เราปล่อยไม่ได้เพราะเรายัางหลงเราจมไปเราขาดสติไม่มีความตื่นไม่มีความรู้ตัวด้าความรู้ตัวมันจะช่วยเปิดใจให้เห็นความสุขได้สัมผัสความสุข มันก็เท่านี้แหละเปิดใจให้รับรู้อยู่กับปัจจุบันทุกขณะและความสุขที่มันมีอยู่รอบตัวอยู่กับตัวอยู่ในตัวอยู่ในใจก็จะปรากฏให้เราเห็นสัมผัสได้ นี่คือสิ่งที่คนมองไม่เห็นก็เลยไปแสวงหาความสุขกันไปสอดแสวงหากันถึงเกิดไกลข้ามประเทศไปฮอลิเดย์กันยุโลกอเมริกาฮ่องกงหรือไม่ก็ตามแหลง่ลงเริงลมแต่ว่าไอ้ไม่ไม่รู้ว่า เพียงแค่เปิดใจด้วยการปล่อยสิ่งต่างๆที่แบกยึดเอาไว้เพราะความหลงให้สติจะเป็นตัวเปิดใจความโปร่งความร่วงความเบาความสงบเจ็นก็ปรากฏขึ้นกันเลา เรื่องไม่จะสว่างขึ้นมานะใจที่โปร่งใจที่บาในสุดก็จะสว่างคนเรานี่ถ้าเราถ้าเราทําใจได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกับพระจันทร์วันเพ็งเมื่อคืนนี่เราสังเกตนะพระจันทร์วันเพ็งสองสว่าง ประจางฟ้าเลยพระจันทร์นสว่างความมืดแม้ว่าจะมีอยู่รอบพระจันทร์ก็ไม่สามารถจะทำให้พระจันทร์นี้เศร้าหมองหรือว่าบดบังความสว่างของพระจันทร์ได้เลย วเวลาถ้าเราทำาเราเปิดใจของเราด้วยสติแล้วว่าจนเกิดความสว่างขึ้นมาแม้ว่ารอบตัวเรามันจะมืดมันก็ทําอะไรความสว่างของใจไม่ได้ไม่สามารถจะบทบางความสว่างในใจได้อย่ากให้เราเป็นอย่างนั้นแหละโดยทําอย่างสิ่งนั้นให้เกิดขึ้น แม้ ว, ว่ารอบตัวจะวุ่นวายผู้คนจะไม่น่ารักแต่ว่ามันก็เมือความมืดเนี่ยไม่สามารถบดบังความสว่างปงพระจันทร์ได้คนเราถ้ามีความสุขจากภายในแล้วแม้ว่ารอบตัวมันจะมันจะวุ่นวาย อากาศจะร้อนเสียงจะกระทึ ก, กมันก็ไม่สามารถจะบทต้องความสุขไปได้แม้แต่น้อยความสว่างนี่นะมันสังเกตน้มันไล่ความมืด แต่ความมืดนี้ไม่สามารถจะไล่ความสว่างได้ในที่มืดพอเราจุดเทียนมันก็สว่างมันขับไล่ความมืดไปและยิ่งเทียนหรือแสงสว่างมากเท่าไหร่ความมืดก็ค่อยหายไปหายไปแต่ความมืดนั้นไม่สามารถจะขับไล่แสงสว่างได้ยิ่งมืดเท่าไหร่เนี่ยเทียนนก็ยิ่งสว่าง ยิงมืดเท่าไหร่หลอดไฟดวงไฟก็สว่างมากขึ้นเทียนหรือว่าดวงดาวหรือพระจันทร์ไม่กลัวความมืดเลยนะงั้เราถ้าเราใจเราเป็นอย่างนั้นเนี่ย เราก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งภายนอกไม่หวั่นไหวว่าข้างนอกมันจะมืดบัวแค่ไหนเราไม่หวั่นไหวขอเพียงแต่เรารักษาความสว่างเอาไว้ให้เกิดขึ้นพอสิ่งข้างนอกมันมืดแค่ไหนมันทําอะไรความสว่างในใจเราไม่ได้มีแต่ใจที่สว่างนั่นแหละที่จะ ขับไล่ความมือดออกไปแต่คนส่วนใหญ่นี่ก็เวลาถึงวันปีใหม่พรที่เขาขอจะเป็นพรที่ขอให้สิ่งรอบตัวมันดีขอให้บ้านเมืองมันมีความสงบสุขสเศรษฐกิจดีทำมาค้าขึ้นขอได้ครอบครัวที่ดีคนรักที่ดี ก็ให้มีทรัพย์สินเงินทองมมากโดยแล้วจะเป็นการขอสิ่งนอกตัวทั้งนั้นเลยถือเขาขอให้รอบตัวมันสว่างสวยัยแล้วคิดว่าถ้ารอบตัวสว่างสวัยแล้วใจก็จะเป็นสุขไปได้แต่ผู้นิยมญาจะไม่เรียกร้องสิ่งภายนอกว่ามันต้องดีมันต้องประเสริฐ แต่เขารู้วาสิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าทำใจตัวเองเพราะถ้าใจสว่างสวยให้ข้างนอกแม้มันจะมืดแค่ไหนก็ทำอะไร ไ, ได้เมื่อความมืดของท้องฟ้าไม่สามารถจะทำให้พจจระจันทร์มัวหมองหรือบดบังความสว่างของพจจระจันทร์ได้ ่เราจะจะให้ความสําคัญของการทําให้เกิดความสว่างสวยในใจทาให้แจ้งเราสุขสว่างขึ้นมาไม่ใช่ไปเรียกร้องเอาเรียกร้องให้สิ่งภายนอกตัวมันดีมันประเสริฐแล้วความสว่างสวยในใจมันก็มันถ้าว่าแบบนี้เคยทําให้ได้นะมันต้องเราต้องทําเอง ในสายในในชาโดนี่มีมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของกันหาฤาษีที่ชื่อกันหาปฏิบัติบงเพ็นตะบะมาตนกระทั่งเท้าสักกะคือพระอินทร์ก็ศรัทธาและวันหนึ่งก็มาก็เสด็จมาแล้วก็บอกว่าจะมาประทานทรศีประการให้กับ หรือสีขอหรืสีบอกมาเลยว่าต้องการอะไรจะทําให้สําเร็จสีประการถ้าเป็นเรานี่เราจะขออะไรพระธาตุาสักการให้มันแล้พรสีประการหรือสีขออะไรสี่ประการหนึ่งขอให้ไม่โกรธสองขอไม่โลภ 3ขอให้ไม่เกลียดสีขอให้ไม่ไม่เกิดความสิเนหาหรือตันหา ใ, นใครๆก็ขอแก้วั้เงินทองแต่ว่าฤาษีนิข อ, อ น, นี้ถ้าขอสี่ประการนี้รับรองมีความสุขไปตลอดใช่ไหมมีแก้วั้เงินทองก็ยังทุกได้ทุกเพาได้น้อย หรือทุกข์อยากจะได้มากหรือทุกข์เพราะว่ายัางต้องแก่ต้องตายทุกข์เพราะว่ายัางต้องถูกคนดา่าหรือทุกข์เพราะคนลักจากไปแต่ว่าถ้ามีสประการนี้อย่างที่หรือสีว่าเนี่ยไม่ทุกข์เลยแต่ปรากฏว่าท้าส ก, กะจนปัญญาไม่สามารถจะให้ได้ มันต้องทําเองนะพอหรือสิ่งประเสริฐเนี่ยสีประกายต้องทําเองเทวดาได้แต่พระอินทร์ก็ทำให้ไม่ได้ถ้าให้ท้าถ้าบรรดาลให้เกิดมีแกว้วเงินทองนี่ยังง่ายกว่าสิแต่ว่าจะให้ไม่โกรธไม่หลงไม่โลภนี่ยากพระอินทรก็เลยต้องจากไป ในชาดมีเรื่องหนึง่งเรื่องของฤาษีชื่ออากิตติก็คล้ายๆกันตอนเพนตะบามาจงนั่งท้าสจายาจะมาให้พรแต่อากิตติบอกว่าถ้าท่านจะให้เนี่ยก็ขออย่างนึงคือว่าขอให้ท่านไม่ต้องมาอีกแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้ามาแล้วจจะทำให้ ข้าพเจ้าไม่พึ่งความเพียรของตัวก็เลยขอว่ า, ากกวท้าวสกาวัติลาไม่ต้องมาขออย่างเดียวเท่านั้นเราจะพึ่งความเพียรของเราเพราะท่านรู้ว่าสิงประเสริฐที่สุดนั้นเนี่ยที่จะให้ความสุขนั้นเนี่ยไม่มีใครให้ได้ต้องทำเองก็คืออะก็คือ การฝึกจิตนั่นเองแล้วก็อย่างที่ว่านะถ้าจิตของเราสว่างเหมือนกับดวงจันทร์วันเพลนแล้วนี่ไม่แค่ความมืดของสิ่งรอบตัวถ้าใจเราเข้าถึงความสุขความสงบด้วยปัญญาเราก็ไม่หวันห่นกลัวนะไม่วันไหวกับสิ่งรอบตัวไม่วันไหวว่าจะอยู่ที่ไหน เสยงจะดังงานจะเยอะผู้คนจะไม่น่ารักเพราะมันทําอะไรไม่ได้แม้แต่ทรัพย์สินเงินทองจะน้อยลงมันก็เป็นของนอกตัวก็ยังทําอะไรไม่ได้ไม่สามารถจะลบเลือนบทบังความสุขความสดใสในใจได้ยังของเรามาทํา มาทำตรงนี้กันให้เกิดขึ้นกับใจของเราคนมักจะขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเราแต่มองข้ามว่าทำไงถึงจะทาให้มีสิ่งดีๆขึ้นในใจของเราก็คือตรงนี้แหละก็อาศัยสติอาศัยปัญญาอาศัยธรรมะเมื่อใจเราสุขสว่างขึ้นมา ก็จะไม่พึ่งพาหรือหวั่นกลัวสิ่งภายนอกนอันนี้ก็ขอให้ใหพวกเราช่วยกันสร้างพรคือสิ่งประเสริฐให้กับตัวเราเองอย่างที่ว่ามาแล้วก็จะประสบความสุขความเจริญได้ เอาล่ะพูดกันเท่านี้กลับมาพร้อมกัน